ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอสัจจะบา ร, รมีมาตามลำดับในช่วงนี้ก็พูดถึงการใช้สัจจะโดยก่อนที่จะประกาศสัจจะวาจาสัจจะปิญญาสัจจะปฏิญาสัจจะฏิยานสัตยาทิศฐานหรือสัจจะในลักษณะอื่นก็าตาม จะต้องผ่านการใช้ปัญญาพิจารณาสดสองมองให้ชัดเจนแต่โดยเฉพาะยังยิ่งยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมีเล่ห์เหลี่ยมมีหลอกลวงกันด้วยประการต่างๆหากว่าไม่มั่นใจจริงๆโอกาสที่จะตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายม่อก่อนไปต่างจังหวัด อีกคนก็มาล่าฟังหลวงพ่อวัดหนึ่งทูกคนมาต้มอง เ, อเงินไปเงินวัดนะะต้มมาเป็นล้านโดยอ้างตัวเองเป็นข้าราชการสานักงบประมาณแผ่นดินแต่ก็บอกว่าวัดเนี่ยได้รับงบประมาณจากทางราชการกี่ล้านไม่รบแล้วเขาจะดำเนินการให้ แล้วก็ทำทีไปกันอุตลุดอ่ะถึงจุดเดนึ่งก็ก็มีอุปสรรคปัญหานิดหน่อยให้หลวงพ่อเบิกเงินทดรองจ่ายไปก่อนหนึ่งล้านแล้วในที่สุดก็เชิดหมดเลยเพราะแ น, นตรงนี้มันต้องผ่านการใช้ปัญญาทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตรซองสวดสออ คำคำหนึ่งที่ท่ า, านใช้คำว่าตีรณาปิญญาคือเป็นความรอบรู้ที่อาศัยการตรวจสอบเทียบเคียงช่างดูให้มีความชัดเจนพอสมควรแล้วก็มีความมั่นใจว่าสัจจะตรงเนี้ยเมื่อพูดไปแล้วนี่รับรับผิดชอบได้หรือว่าตั้งใจไปแล้วรับผิดชอบได้ถ้าทําไม่ได้ก็ ก็อย่ากล่าวอย่าปฏิญาณอย่าปฏิญญาหรืออธิษฐานแต่ว่าตามปกติใจของของคนเราเวลามุ่งมั่นที่จะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นั่นเป็นเรื่องแปลกแต่จริงคือจะมีความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาสอดแทกมาคล้ายๆจะเป็นมิตรนะกระสิบกระราบใจ ในรูปลักษณ์ของผู้หวังดีเพื่อเราประหยัดอด อ, อมไม่ต้องทำไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องลำบากมันเป็นการทำลายเจตจำน ง, งเราแต่ถ้าเรามองดูเผยเผเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่เป็นมิตรแต่ถ้าเราไหลาตามเนี่ยคือเราก็ตกเป็นเครื่องมือของเขา ขึ่งก้อนี้ข้อที่ควรสังเกตปรกากฏเด่งว่าบุคคลที่หวังประโยชน์จากบุคคลอื่นนั้นจะมาในรูปเป็นมิตรเสมอแต่หากว่าเราขาดไววพริบปฏิภาณหรือขาดการตัดสินใจขาดการสังเกตตรวจสอบโอกาสที่จะตกเป็นเครื่องมือเขานั้นจะเป็นไปได้ง่ายเพราะั้น จะต้องเอาปัญญาเนี่ยมาตรวจสอบตรงนี้อีกทีหนึ่งมองดูที่ทหากว่าทาไปอย่างนี้มันจะขัดต่อเจตจำนงต่อสัจจะปฏิญาสัจจะปฏิญาณสัตยาจิตฐานสัจจะวาจาของเราหรือไม่แล้วจะเห็นว่ามันมีปัญหามันก็ต้องพยายามเอาชนะความรู้สึกตรงนั้นให้ได้ก็เรียกวัสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเจตจำนง เราตั้งใจเอาไว้คราวนี้ท่านอุปมาเห็นว่าเวลากุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นภายในใจเราเห็นยกตัวอย่างว่าต้องการจะบวชต้องการจะรักษาศีลต้องการจะฟังธรมรมต้องการจะเจริญกรรมฐานอะไรเนี่ยกุศลและเจตนามันเกิดขึ้นแต่อกุศลและเจตนาจะเข้ามาสอดแทรกในรูปของเป็นมิตรปลาประโลม เอเอาใจห่วงใยอาทรแล้วขอผักผ่อนต่อรองมาเรื่อยๆที่สังเกตได้ง่ายเนี่ยสังเกตได้ง่ายลองสังเกตว่าจิตใจของคนเราในปกติแล้วเป็นคนใจดีผู้สมควรแต่คราวๆยังมีการเรียรายออกทางวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ยโดยเฉพาะทางโทรทัศน์เนี่ยมันก็เห็นหน้าคนนะฮะรู้ว่าใครเป็นใคร มันจะมีความคิดเกิดขึ้นต้องการจะร่วมบุญกุศลในกรณีเหล่านั้นคนส่วนหนึ่งนั้นเกิดกุศลนเจตนาแล้วก็ทําได้แต่คนส่วนหนึ่งนี่ยเกิดกุศลนเจตนาแล้วก็ต่อสู้ชักก็เยอะกันเองแล้วก็มีไม่น้อยนะฮะที่ไม่ได้ทําเพราะว่าถูกสิ่งซึ่งมาในเป็นมานที่มาในรูปมิตรเนี่ยก็ซิบใจ แล้วถ้าหากว่ามันยังแอบโผรขึ้นมาภายในใจอยู่เรื่อยๆก็ทรงใช้คำว่าให้พยายามศึกษาวิธีที่จะให้เกิดความสงบเราจะเห็นว่าตัวสัจจะเนี่ยเป็นตัวหลักแต่ว่าตัวที่ควบคุมหมดทุกเรื่องเนี่ยคือปัญญา ปัญญานั้นจะตรวจสอบทุกเรื่องทั้งก่อนทั้งขณะนั้นและกับหลังจากนั้นมันแนวเดียวกับเรื่องของอิทธิบาทถ้าฟังเราสังเกตอิทธิบาทนะก็จะหมุนเป็นสมาี่ปฏิบัติแล้วก็หมุนเหมือนกับอริมักเบลแปดก็หมุนหมายความว่าสมาธิที่เป็นตัวนําสมาธิที่เป็นตัวตรวจสอบสมาธิที่เป็นตัวคุมทั้งหัวทั้งหางแล้วก็ตรงกลางด้วยก็คือปัญญานั่นเอง อธิบาทเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นในภาคของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยก่อนจะฉันทะเนี่ยมันต้องมีปัญญาก่อนมิมังสาก่อนแล้วมาปลูกฉันทะลงไปแล้วพอใช้วิริยะเองปัญญาก็ต้องสรวจสอบวิธีการในการใช้ความเพียรตรงนั้นเพราะความเพียรอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้และจิตตาคือจิตใจที่มุ่งมั่นไปสู่ผลสำนิกก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือปัญญานั้นจะต้องสรวจสอบ ว่าท่าทีอย่างนั้นความคิดอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปสู่จุดหมายปลายทางใดหรือไม่เรากระยักได้เคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าชีวิตเช่นไรได้ชื่อว่าชีวิตที่ประเสริฐสุดก็จะทรงแสดงว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาคือใช้ปัญญาอยู่ตลอดใช้ปัญญาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด เพราัสัจจะก็ต้องใช้ปัญญาเสียสละเองก็ต้องใช้ปัญญาบางครั้งบางคราเราสละโดยไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความเหมาะความควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในกรณีที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าห่งใหญ่โดยเฉพาว่าในบางแห่งมันเรไรอุตรลุดจริงๆเรียไรยจนเราฟังแล้วก็สยอง เออพวกพวกนี้ไม่กลัวบาปพวกกรรมอะไรกันทั้งนั้นนทำไมมันรีดไทยคือศาสนามันไม่ใช่เรื่องของการรีดไทยนะแต่ถ้าเรามองรูปแบบของศาสนาที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับธรรมนูญของพระพุทธศาสนาเราสั่งว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวจิกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อเป็นการลเครต่อชาวโลกเห็นไหมไม่ใช่อะไรเพื่อเราแต่มันเพื่อประโยชน์และประโยชน์นั้นก็คือแสดงออกมาในรูปของการเกื้อกูลต่อ บ, บุคคลอื่นและรู้ได้ยังไงว่าเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลคือเขาต้องได้รับความสุขมันยันกันเองสามอย่าง และสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์จริงมันเมือนกับอะไรแหละเมื่อก็ยาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคนป่วยบางบางโรคนะฮะไม่ใช่ทุกโรคมาความเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เพราะรัประทานยาแล้วมันอกอคูลต่ออาการป่วยคือลดอาการป่วยลงไปแล้วก็เพิ่มความสุขขึ้นถึงจุดหนึ่งก็หายจากทุกทรมาณที่โรคมันเสียแทงเขาก็อยู่เดอยู่ยังมีความสุขนั่นก็แสดงว่ากระบวนการนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญ แล้วจะเชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันได้กันเป็นการว่าจะให้อะไรจะให้แก่ใครจะให้อย่างไงจะให้ที่ไหนจะให้อย่างไ ร, ไงไรและจะให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์อะไรคือไม่ใช่เรื่องเป็นการได้ไรข อ, ขอนั่นขอโน้นขอเรื่อยมันก็ไม่ไหวเงี้ยนะ คือวิกฤตการทางศาสนาเคยเกิดมาในสมัยพุทธกาลก็เคยเกิดแล้วเ็เกิดบ่อยๆส่วนหนึ่งนี่มาจากกันเรืไอรโดยไม่ดูตรรมะตะเรืออะไรเลยอย่างคราวหนึ่งคราวเกิดวัตภัยที่ภาคใต้ที่แหลมตรุมพุกรู้สึกอยู่ศูนย์ห้าะฮะว่าทางภาคใต้เนี่ยเขาหยุด การซ่อมแซมบุญนะปฏิสังขรณ์ทั้งหมดไม่ทำรอให้ชาวบ้านก็เศรษฐกิจกดีซะก่อนให้เขาพร้อมให้เขาเหลือก่อนจึงชวนก็ททำบุญวัดอยู่ยังไงก็อยู่ไปก่อนก็อยู่ไปได้ประมาณสามสี่ปีเนี่ยเขาไม่ก็ไม่ได้ไรนะแล้วก็แสดงให้เห็นด้วว่า ทำตัวเป็นกัลยาณนะมิตเกิดชาวบ้านแน่นอนคนเราทำบุญนก็ดีแต่ว่าเมื่อเงินมันน้อยเนี่ยทำบุญเรื่องอื่นไปใช่ไมไม่ใช่ว่าบุญมันเกิดจากทานอย่างเดียวให้อภัยเขาช่วยเหลือในกิจการที่จบช่วยเหลือทางกายทางวาจาโดยแม่แต่ว่าตั้งจิตปรารถนาที่จะให้เห็นข้อหลุดพ้นจากความทุกข์สามารถบอกกล่าวชี้แนะอะไรตรายได้เนี่ยบุญยักรยาวัตถุทั้งสิบข้อเนี่ย ข้อที่เป็นบุญมากๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การบริจาคแต่อยู่ที่การลดกิเลสในใจเราทางการบริจาคบางคราวเนี่ยอาจจะไม่ลดกิเลสก็ได้รือไปเพิ่มกิเลสเช่นว่าล่อโดยผลประโยชน์แจกพรเครื่องครั้งอย่างนั้นให้รวยอย่างนี้รวยอย่างโน้นอนะไรต่เราก็ไม่ค่อยคิดไอเดียนะ หรือถ้าหากว่าพระเครื่องเหล่านั้นทําให้คนรวยได้แล้วเนี่ยทางวัดนั้นก็ไม่น่าจะมาแจกช า, า, าวบ้านก็น่าจะไหว้วัดเองเพราะว่าการที่เขาต้องเรียกอะไรคนอื่นเนี่ยก็แสดงว่าพระไม่ได้ช่วยให้รวยแต่พระช่วยรวยเขาก็มีพระนั้นเขาไหว้ที่วัดแล้วก็ไม่ต้องเรียกอะไรใครเงินทองกับไลมาเทมามันไม่มีเหตุผลอยู่ตั้งแต่พูด แต่ว่าเพราะคนไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาโสสองเพราะว่าตามปกติแล้วก็จะล่อให้โลภ ก, ก่อนพออยากได้แล้วเนี่ยเหตุผลสติปัญญามันจะหายไปเพราะในสัจจะบางอย่างเนี่ยเช่นตกลงนัดหมายอย่างในปัจจุบันเนี่ยเคยพบบ่อยฤาสิตุหาเคอมาเล่าฟังตกลงนัดหมายไปทุนส่วนกันเราตัวเองมีเงินมีทองมากพอเพื่อนก็รับ รับรองว่าจะดำเนินการให้เขาให้ลงทุนให้อะไรแต่ไหนเสร็จแล้วก็ต้นก็โดก็ไม่ก็หายอะไรนีมีบอยที่สุดเลยรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจเป็นคติที่ควรฝังเอาไว้คบคนรู้หน้าซื้อผ้าดูเนื้ออย่าไว้ใจทางจะวางใจคนจะจนใจเองอะไรแต่ไหนเนี่ยก็มีการตกเตือนอตเตือนว่ากล่าวกันอยู่ ประเด็สัจจะจึงต้องผ่านต้องผ่านปัญญาแล้วก็ถูกควบคุมโดยปัญญานะไม่ใช่ใว่ารับคําไปเรื่อยๆโดยไม่ดูอะไรเป็นอะไรรับง่ายนะแต่เคยสังเกตอย่างหนึ่งนะคือถ้าคนรับคําหลายๆคำครับครับครับครับแล้วก็ไม่น่านเชื่อคือส่วนมากว่าไม่คยได้เรื่องอะไร เคยมีคนเคยกราบถูกถามพระพุทธเจ้าว่ารถอะไรเนี่ยเป็นชนะรถทั้งปวงดีกว่ารถทั้งปวงพระเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่าสัจจางเฮเวสาธุตรังรสศาส ด, ดังความสัตว์นั่นแหละดีกว่ารถทั้งปวงเพราะคนเราถ้ามีความจริงใจกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนะฮะ ไม่น่าไหวหลังหลอกต่อหน้าอย่างไง ร, รับหลังอย่างนั้นรับหลังอย่างไงต่อหน้าอย่างนั้นก็ เ, เรียกว่าจะาเป็นเช่นเดียวกับน้ำใจพูดอย่างที่ทำทำอย่างที่พูดคิดอย่างที่ทำทำอย่างที่คิดมันสะท้อนสัจจะคือความจริงออกมาให้เป็นที่ปรากฏเป็นรูปธรรมคือได้เห็นด้วยตาได้ยินได้หัวว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง ที่จริงคนเรามันก็ขัาสมาคมกันง่ายถต่าหากว่ามีความสุจริตใจต่อกันมีความจริงใจต่อกันต้องฟัง ค, คงนึกถึงโครงบทหนึ่งของรัชกาลที่ห้าที่ทันร ว, ว่วสมเดจย่าทรงจดไว้ตั้งแต่ประชนบรรษาเจ็ดขวบและเป็นการแสดงถึงหลักหลักการครองชีวิตของคน ประการแรกคือความรู้คู่เปรียบด้วยกับมังกายเลยหมายความความรู้นั้นมันต้องอาศัยสัจจะนะเป็นลักษณะของสัตยาธิฐานจะต้องทําให้ได้ไม่ได้ต้องได้ไม่เป็นต้องเป็นไม่รู้ต้องรู้ไม่เข้าใจต้องเข้าใจเพื่อนก็อาจจะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่เข้าใจเราก็ใช้เวลาให้มากหน่อยนั่นก็เป็นหลักการสําคัญในเมื่อ เราเหนว่าในการพัฒนาความรู้เนี่ยมันต้องมีสัจจะเป็นหลักเรียนเรียนเรีย น, เ, นเล่ น, นเป็นเล่นทํางา น, าานเป็นทํางานทําการบ้า น, าานเป็นการบ้านรายงานเป็นรายงานเนี่ยความรู้มันจะพุ่งมาเข้งขึ้นแล้วก็สุจริตคือเกราะ บ, บางสะพร้องสุจริตเนี่ยตัวสัวจจะเนี่ยจะเป็นหลักย่างกันมายความวบางทีก็เรียกซื่อสั์สุจริต ในคราวหนึ่งมีการประชุมของราชการแล้วก็มีการอภิปรายถึงเนื้อหาสาระของการจัด ก, การศึกษาและก็ผลิตผลจากการศึกษาเราก็ตั้งคำถามขึ้นมาใน4คํคำถามว่าผลิดผลจากการจัด ก, การศึกษาของกระทรวงศึกษาก็ดีของท บ, บวงมหาวิทยาลัยก็ดี มันเคยมีความคล่องใจสงสัยในเรื่องอะไรบ้างไหมในเรื่องความรู้ในเรื่องความคิดในเรื่องความสามารถแล้วก็เรื่องคุณธรรมที่ประชุมก็อภิปรายกันก็สรุปแล้วว่าเขาไม่ติดใจในสามเรื่องแรกเขาบอกความรู้เขาก็ไม่ติดใจเขาประทุมนิเทศเอาได้ความคิดเขาก็ไม่ติดใจเขาก็ประชุมระดมความคิดเอาได้แล้วก็คนเหล่านี้ไม่ใช่คนระดับที่จะมาอภิปราย ความสามารถเขาก็ไม่ติดแต่เขาฝึกก็ได้เพราะงานจริงๆในภาคสนามเนี่ยมันไม่ใช่สลับซับซ้อนอะไรนักหนาเพียงแต่ให้รับผิดชอบในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงกับจุดอื่นได้มันก็ไปได้แล้วแต่ที่เขาห่วงใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องความรับผิดชอบเรื่องตรงต่อเวลาอันนี้ที่จริงเรื่องเดียวกันนะ แต่ว่าเนื่องจากเรามองธรรมะแยกส่วนกันเกินไปเราไม่เน้นว่าที่จริงมันเรื่องเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยของการแหลกกันสโนว์บาลีธัญชกักเขาว่าอัญญปัญญาปัจเจกันคือเป็นปัจจัยของการแหลกกันสมมตินายกรเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตถามว่านายกรเป็นคนมีความรับผิด ช, ชอบต่อการงานไหม เขาก็ต้องมีความรับผิดชอบถ้าเขาไม่รับผิดชอบแสดงว่าเขาไม่มีความซื่อ ouais. สัตย์สุจริตการที่เขาซื่อสัตย์สุจริตก็พิสูจน์ว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบทุนี้มันแยกกันไม่ได้ทีนี้ตรงต่อเวลาเนี่ยคนตรงต่อเวลาถามว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไหมก็ใช่กขาซื่อสัตย์สุจริตและถามว่าเขามีความรับผิดชอบไหมก็ใช่ก็คือรับผิดชอบเห็นไที่จริงก็จับไปได้สักอย่าง เอารับผิดชอบก็ได้โบราณในท่านใช้ดีนะท่านใช้กคำรับผิดรับชอบเคยอ่านหนังสือยุค ป, ประมาณสักเท่าไหร่แปดสิบปีที่แล้วนะฮะแปสปีเราอ่านหนังสือรุ่นเก่าๆเราจะเจ อ, เจอว่าบางทีเขาพูดรับผิดรับชอบมันเป็นการพูดมาจากเรื่องกรรมคือ ท, ทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดันแหละ หมายความคุณทำยังไงเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบในตัวผลในตัวเหตุที่คุณกระทำเป็นกระบวนการของกรรมความซื่อสัตย์สุจริตจึงกลายเป็นเกราะที่จะคุ้มครองป้อ ง, องกันอภิบาลรักษาคนเอาไว้เกลียทองแท้ก็ไม่กลัวไฟปัญญาประดุดดังอาวุธเห็นไหมปัญญาเนี่ยดังอาวุธ ป้องกันก็ได้ขจัดก็ได้ทำลายก็ได้รักษาก็ได้แต่มีอาวุธอยู่แล้วเนี่ยมันก็ใช้พริกแผลงได้ตลอดแล้วก็เหมาะสมแก่กรณีแก่สถานการณ์ที่ตนกำลังเผชิญอยู่คุมสติต่างโลภป้องอาจแกล้วกลางสมอนแต่แม้ว่าธรรมะเหล่านี้มันก็เหมือนกับธรรมะเหล่านั้นเหมือนก็ใช้สัจจะคนที่ซื่อสัตย์สุจริตจนกลายเป็นเกราะ ป้องกันภัยอันตรายศาสตร์วุฒทั้งหลายได้ก็เป็นคนที่ต้องมีความรู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วแล้วเขาก็ต้องมีปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาแยกจากแล้ก็ครองชีวิตด้วยสติกับปัญญามีสติปัญญาเป็นหลักมานก็จะท้อนออกมาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตก็หมายความว่า ภารกิจการงานที่เขารับผิดชอบจะต้องจัดจะต้องทำก็กทำได้สเนเท็จผนนั่นก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้ดีตกลงว่าเป็นคนมีความรู้ดีมีความคิดดีมีความสามารถดีมีคุณธรรมเหมาะสมแก่สถานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอิงอาศัยสัจจะคือความจริงใจหรือจริงจัง แล้วก็ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะไม่หยุดความเพียรพยายามก็กลายเป็นว่าเราเห็นว่าเออพอใช้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ใช่เฉพาะสัจาะมันมีวิทยะมันมีขันติมันมีอธิษฐานมันมีปัญญามันมีศีลมันมีอะไรข้าวสนับสนุนเพราะธรรมะปฏิบัติที่จริงแล้วมันถ้าเราศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพอะนะ ทฤศาสตรการกีฬามีเครื่องวัดว่าเวลายกมือหนึ่งทีหนึ่งต่อยก็ไปทีหนึ่งเนี่ยมันไปยังไงประสาทต่างๆเนี่ยมันทํางานอย่างยังไงใช้ความเร็วเท่าไหร่อะไรต่างๆคือเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวไปหมดเราขยาับทีเดียวลุกขึ้นยืนทีเดียวเนี่ยอ ว, วัยวะทุกส่วนลมดินน้ําลมไฟหนาอากาศของเราในร่างกายของเราเนี่ย ก, ก็จะเคลื่อนไหวไป มารมะจะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ว่าในจุดไหนใช้ธรรมะข้อไหนเป็นผู้นำเราพูดถึงสัจจะบา ร, รมีก็หมายความว่าสัจจะบา ร, รมีเป็นผู้นำแต่สัจจะนี่มันไป ล, ลอยไม่ได้หรอกต้องมีปัญญาสรวจ ส, สอบเส ก, ก่อนที่จะตั้งสัจจะอ ย, อย่ารับคำอะไรง่ายเกินไปอย่าตัดสินไรง่ายเกินไปอย่าเชื่อง่ายเกินไป อย่ารับปากรับกลับมากเกินไปอย่าอธิษฐานเร็วเกินไปหรือว่าให้ปฏิญาณไว้ปฏิญญาไว้เนี่ยมากเกินไ ป, ปบางทีมันก็กลายเป็นภาษาดอกไม้ที่ไม่รับผิดชอบมีอะไรให้ผมรับใช้ ย, ยินดีนะครับเนี่ยภาษาที่เอามาจากฝรั่งภาวนา เ, า, า, เาเขาแต่เอาความจริงมันก็ไม่ได้เรื่องเป็นภาษาเขาเรียกภาษาดอกไม้ ภาษาการเมืองก็นิยมชายกันในลักษณะจังกันเป็นการสะสมบาปด้วยพักเพราะก็จริงแล้วมันก็ทำอย่างที่พูดไม่ได้ทุกฝั่งกันหลายแต่รมพระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกระมีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี